เพราะวิการก็เรียนจบกันบังบางคนก็เรียนเพียงคนเดียวบังคนเดียวก็จบเรียนจบได้ส่วนใหญ่พวกนั้กเรียนรี่มาได้ในทางวิทยาศาสนร์เปพวกที่เขาอยู่ปีสามปีสี่นะ แล้วก็อยู่มานานแล้วปีสาทีีสี่ติดมาหลายกลับหลายกันหลายภพหลายชาติคือเขาได้ทานแล้วได้ศีลแล้วได้สมาธิแล้วแต่เขาไม่ได้สัญญาทําไม่ได้อารยสัจสอารยสัจสนี้เป็นความรู้ความพู้ของพระโพธิสัต์ที่จะศึกษา จนทะลุกุเปิดได้จนทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เรียนจบวิชาทางด้านจิตใจได้นเวลาสมัยรแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวาทธรรมเทศนาสอนท่านจึงมุ่งไปพวกที่มีทานมีสีมีสมาธิตลอด คือเป็นนักบวชในนัทีต่างๆกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวัคคีก็มีทานคือเขาได้สละบมดแล้ทางด้ครับส้มหลับเท้าของเงินทองทางด้าน ธ, ธิ์ิดาสามีภรรยาแล้วก็บารมเพันธรักษาศีแล้วก็เจริญ ส, สมาธิจนได้ขั้นฌานกัน ได้ทั้งรีประชาแนวรู้ประชาแต่ไม่มีความรู้ทางด้านปัญญาไม่ทางด้านวิปนะัสสนาไม่รู้ว่าความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้เป็นอย่างไรและจะแก้ความหลงไม่ได้อย่างไรรู้อยู่ว่าใจนี้ยังมีความทุกข์อยู่ เพราะเวลาที่จิตอยู่ในสมาธินี่เหมือนกับไม่มีความทุกข์น้องเหลืออยู่เลยแต่พอออกจากสมาธิใจถ้าเริ่มกระสักระสายกว็วนก็ะวายมีอารมณ์ไปกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสจะรู้ว่าราไม่ได้เย็นจบที่ไม่ดุดคนไหนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับ อาการกระสับกะสานกระวนกระวายอาการทุกข์ของใจเมื่อจตกพระพุทธเจ้าเอางในเรื่องต้นก็ไม่สงสราบเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรนังจากออ ก, ออกจากสมาธิมาแล้วพ็ะไถ่ของพระองค์ก็ยังมีความทุกข์มีความกระวนระวกระวายมีความหวาดกลัวอยู่กั ง, กรงเรื่องของ ความเป็นไปของร่างกายเรื่องของคนอื่นก็พอจะตัดได้ตัดมาแล้วเพื่อทา ง, ทา ง, ง, างทางพาี่น้องญาติพี่น้องทางภรรยาทางลูกก็สําตัดมาแล้วแต่ก็ยังมาติดอยู่ที่ร่างกายของพ่อพ่อตายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังไม่รู้จัก วิธีที่จะทำให้ใจปล่อยวางร่างกายได้จนในที่สุดก็ส่งทิการนาในเบื่องต้นก็คิดว่าปัญหาของร่างกายนี้อยู่ที่ความอยากอยากจะรับประทานอาหารกาคิดว่าถ้าสบอาหารแล้ว ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ก็ท่งอดภักกายาหารถึงสี่ถึงเก้าวันด้ยกันแต่ก็ยังไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ก็ยังมีความกังวลมีความตัวเรื่องของการต่ยการจบกาใตยายในที่สุดก็ต้งเห็นว่าความทุกข์นี้ นอนไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่อยู่ภายในใจที่ต้องปล่อยวางร่างกายทีนี้จะทำอย่างไรที่จะปล่อยวางร่างกายได้เพื่อใช้การดมเทนทางด้านจิจตใจภาวนาคือต้องเข้าไปดูภายในจใจว่าใจกัวงวลกังวลกระสับกระสาทุกกับร่างกายได้อย่างไรเพื่อ คงที่แกเห็นว่าเกิดจากความอยากไม่อยากแม้ร่างการเจ็บเข้าได้ป่วยไม่อยากให้แกไม่อยากให้ตายแล้วที่สาเหตุที่ทําให้เกิดความความความความอยากไม่ให้แกไม่ให้เจ็บไม่ตางกา็ก็ไม่รู้ความจริงของร่างการ ว่าเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเป็นธรรมดาเขาเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเขามาจากดินน้าลมไฟแล้วเขาก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟพอทรงพิจาจ้าเห็นอย่างนี้ก็ทรงเห็นแล้วว่าพอเขาไม่เที่ยงเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเป็นธรรมดาเขาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเขามาจากดินน้ำลมไฟ ตนอนน่างนี้ก็ดับความหลงได้ความหลงที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราตอนมีความคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็าอยากจะให้อยู่กับเราเป็นานานแต่มันก็ไปถึงความจริงแล้วก็เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ขึ้นในใจก็เลยเห็นเห็นอริยสัจสี่ เห็นว่าทุกเกี่ยวกับความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บคร่ใได้ตัวไม่อกไม่ให้ร่างกายต า, ายแต่ความจริงของร่างกายคือเขาต้องแก่ต้งจะต้องตายเขาไม่ใช่ตัวเราของเราพออะไรไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ได้สนใจเขาจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไร พอเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ทุกก็ดับไปําว่าทุกดับ ก, ก็แปลว่านิโรธนี่นิโรธแปลว่าการดับความดับของความทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแปลว่านิโรธและการพิ จ, จารณา เห็นว่าเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงเห็นว่ารับเป็นอนัต่างไม่ใช่ตัวเราของเราก็ก็เลยรู้ว่าต้องต้องปล่อยวางเพราะถ้าปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไม่ป่อยเพราะหลงเพราะอยาให้เป็นตายถ้าหลงก็จะคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็จะเกิดความอยากก็เป็นสมุทัยที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้เห็นไม่เชี่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวาการพิจารณานี้ก็เคยมักคือสติปัญญาหนักที่มีองค์แปดสติปัญญานี้เป็นเหมือนกับ เป็นหมือนยอดของมัดยักมีแปดองค์เหมือนกับห อ, อกไม่มีทั้งหัวห อ, อกมีทั้งด้างมีทั้งคนที่จะใช้ห อ, อกนี่มีหลายส่วนประกอ บ, บกันแต่ส่วนประกอบสำคัญ ก, ก็คือหัวห อ, อกที่ต้องแหลมที่เมื่อพุ่งห อ, อกไปแล้วมันจะทะลุเป้าได้ทําลายกิ่นที่ต้องการจะขยายได้ เวลาจเจริญมากมาเรื่อยๆแล้วมันจะไปถึงยอดถึงหัวหวอมเลยตอนต้นล้วก็จเจริญส่วนส่วนอื่นก่อนเช่นเจริญทางญาณการกระทำทางกายท า, า ง, างวาจาการการมีอาชีพที่ถูกต้องการมีความเพียรที่ถูกต้อง มีสมาธิมีสติที่ถูกต้องนีเป็นส่วนประกอบส่วอื่นแต่ส่วนประกอบที่สำคัญที่สิ่งส่วนประกอบอื่นๆสนับสนุนก็คือหวหอกคือสติคือปัญญาพอมีมีสิ่แล้วมีสมาธิแล้วมีสติแล้วปัญญา ก, ก็จะก็จะเป็นส่วนที่ ตามมาก่อนๆขอได้ปัญญาเริ่มการพิจารณาดูตามความเป็นจริงของสิ่งที่ใจไปมีความทุกข์ด้วยพอพิจารณาสิ่งนั้นแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่เทียง ม, มันไม่ใช่ตัวเราของเราพอเห็นอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะตัดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นายตางความอยากได้เพราะเมื่อนั้นไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็ไม่มีความสนใ จ, จส่อไถ้ายังเป็นของเราอยู่เช่นสมมติสามีของเราถ้าเขายังอยู่กับเราเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากกันแล้วเขาไปเป็นสามีของคนอื่นแล้ว นี่เรากต้องแนใจแล้วไม่มีความอยากไปอะไรกับเขาแล้วเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะทําอะไรอย่างไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาแล้วเพราะเราไม่มีความวอยากเพราะเราไม่เพราะเรารู้ว่าเขาเขาไม่ใช่สานมงเรานะพออะไรเต็มของเราขึ้นงาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทําให้เกิดความอยากในสิ่งนั้นทันที อยากให้ดีอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆแต่พอไม่ใช่เป็นของเราแล้วไม่สนใจเราซื้อมาแล้ว เ, เราขายรถคันนี้ไปแล้วเราซื้อมาเป็นของเราเราก็ห่วงเราก็ห่วงอยากจะให้มัน อ, อยู่กับเราเป็นนานๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไตลอดพอมันไม่เป็นดัางใจก็ทุกข์วุ่นวายใจไปจอดรแล้วก็ถูกเขาเอา ค้อนมาทุบกระจาใจก็ปวดร้างขึ้นมาพอ mm hmm. ขายรถคันนี้ไปแล้วนี้ใครจะไปทำอะไรกับรถคันนี้เราก็แังไม่หวาดภาวะเราเป็ mm hmm. นของเรานี่จอดที่ไหน mm hmm. มันคุอก็ยังกปันห่วงนะ mm hmm. ตอนวันคืนตื่นขึ้นมายังต้องลงมาดูว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นของเรา พอมันอะไรเป็นของเราปรั๊บมันก็จะเกิดความผูกพันเกิดความอยากในในสิ่งนั้นทันทีนั้นในความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสัตว์นิธรรานั่นแต่เพราะอะไรเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยไม่ได้มีอะไรเป็นของเราก็ามีใจของเรานันเนี่ยที่เป็นของเราหรือกรรมที่เป็นของเราเรามีกรรมเป็นของของตน อันนี <wenn> <meeting> ้แหละที่เป็นของเราแท้ก็คือกรรมบุญกรรมกรรมทางศัพท์ทางภาษาพระนี่เป็นคำกลางๆไม่ไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาปกรมมีสามชนิดด้วยกันคือมีกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปกรรมที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาป แต่ภาษาไทยเรานักจะใช้คำว่ากรรมนี้แทนคำว่าบาปพอเราพูดกรรมนี้เรามักจะคิดถึงคำว่าบาปทยอส่วนใหญ่แต่คนพูดบางทไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปแต่หมายถึงการกระทําที่มีทั้งบุญมีทั้งบาปและไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปดนั้นเวลาฟังก็ต้องฟังให้เกิดความเข้าใจบางทีก็ใช้แทนคำว่าบาปก็มีเหมืนกัน ว่าตามตามลัตนโยมตามที่ใช้กันมาต่บางเลวลาก็พูดเป็นกลางๆว่าเป็นกรรมกระทำนี่แเป็นของเราที่แท้จริงก็คือกรรเรามีกรรมเป็นของของตนจะทกากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะั้นอันนี้แหละเป็นของเราที่เราเอาติดตัวามา พระทเจ้าก็เอากัรมดีติตัวมาเรีย่าบารมีบารมีทั้งสิประกาทางบารมีเสียงบารมีเมตบารมีกันเตบบารมีเวรียบารมีอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเนตตาบารมีเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบรนเททง สะสมมาทุกภพกทุกชาติถ้าได้บริวารทั้งเร็จขึ้ ม, มา ก, ก็จะเป็นผู้สนับสนุนผู้ปลักดันให้มุ่งปรปสู่การตัดสรุโดยทางเดียวไม่ไปทางอื่นพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดตอนที่ประสิทิได้มีการทํานายทํพยายากรว่าจะเป็นได้สอง ส อ, สองทางด้วยกันเนื่องจากบารมีของพระองค์ว่าถ้าไปอยู่ทางโลกก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกไปทางนักบวชก็จะได้เป็นมหาจะได้เป็นจากดาาาาของโลกต่มีมีโหอนอยู่รูปเดียวที่ทำานายว่าจะต้องเป็นพระศาสดาเพียงอย่างเดียว รู้สึกว่าจะเป็นอาญากลัญญะเพราะนั้นเป็นเป็นของผีเป็นผู้ทํางานอย่างนั้นก็้งตั้อบจิตก็ทายของให้แย่งเยแต่ถ้าที่จําได้ก็มีอยู่ผู้เดียวซึ่งที่ว่าเป็นที่หรือว่าอาญากลตัญญะนี่แหละที่ต่อไปก็จะได้เป็นสาวลกยุคแรกในประเทศอาสาสา เป็นข้สงส่แรกในข้อพุทธศาสนา น, นี่คือสมบัติของเราที่แท้จริงอย่างอื่นไม่ใช่สมบัติของเราเพะฉนั้นอย่าไปตู่เอาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราอย่าไปตู่เอาร่างการของเราว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปตูว่าจะมีภรรญาเป็นของเราลูกน้านเป็นของเรา เขาไม่ได้เป็นของรานอกเขาเพียงแต่มีความเกี่ยวข้องของเรทางทางด้านสายพันธุ์ท่านั้นเองทางด้านเหตุการณ์เท่นั้นเองเมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็เลยถือวิาจารว่าเป็นของกันและกันสามีก็ว่าภรรยาเป็นของฉันภรรยาก็ว่าสามีเป็นของฉันแต่ความจริงมันเป็นเพียงสมมุติเท่นั้นเองมันไม่ได้เป็นของ ของเราอย่างแท้จริงเพมาะเาหยาด ก, กันเลิกเลิกต่งจกไม่ได้เป็นจะมีความงามอะไรเราต้องทำความเข้าใจให้ให้จิเจ้ออย่างนี้ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นสัพเทธัมมาอนัตตาสัพสุสัพสุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็นอนัตตาล้วนไม่ใช่เป็นของเราในตัวเรา นี่แนหะเป็นความรู้พิเศษที่มีพระพุทธเจ้าเพียพระองค์เดียวที่มีพระปัญญาบาลานีที่แหลคมพอที่จะมองทะลุเห็นความจริงอันองนี้เพื่อการคิษณารดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามาจากบินน้ำลงไปทั้งนั้นทุกอย่างในเรื่องนี้ที่เราเห็นด้วยตาเนี่มาจากดินน้ำลงไตรทั้งนั้นผ ส, สมกันเข้ามาแล้วก็ แปลรูปออกมาเป็นในรูปลักษณะต่างๆกันร่างกายของเราก็มาจากดินน้าเหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นหญ้าก็มาจากดินน้าเหมือนกันภูเขาทะเลอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนของดินน้ำเหมือนกันพวกภูเขาก็เป็นพวกส่วนส่วนของดินพวกทะเลมหาสมุทรก็เป็นส่วนของน้ำ วความร้อนต่างๆก็เป็นส่วนของไฟควบลมเนีพวกที่เราทเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนของลมมันก็มีแค่นี้ลหละพวกมันรวมกันภายใต้ เ, เหตุปัจจัยที่ต่างกันก็เลยทำให้เขามีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันไปต้นไมมีนมานาชนิด แต่มันก็มาจากดินน้ำนมตาเหมือ น, นันคนมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันมีผสีขาวผิวดาผิวเหลืองผ ม, มายาว ผ, ผ, ผมสัน้น ผ, ผมหยิกผมง totally. อก็มาจากดินน้ำนมตาเหมืนกันแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมตาเหมนกันเนี่ไม่บบว่าอะไรมันจะต้องมาจากธาตุทั้งสีนี้ เนแต่ว่ามันจะมีส่วนไหนมากน้อยต่างกันพวกวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนของดินมากกว่าแต่มันก็มีส่วนของไฟผสมอยู่ด้วยเช่นไม้ที่เรามาใช้เปิดศาลาเหลนะี้ถ้าเราเอาไปจุดไฟเทามันก็จะมันก็จะปล่อยท่าไฟออกมามันก็จะไหม้แล้วก็มีไฟมีอะไรออกมาจากนั้นบางส่วนก็ระเหยออกมาด้วย มันมีแต่มันมีอยูน้อยมากเป็นแค่แคมองไม่เห็นคึณเห็นว่ามันเป็นส่วนเของยืนเสือส่วนใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทั้งสี่ส่วนมันถึงจะรวมตัวกันขึ้นมาได้มนุษย์กายก็ยังมีทั้งสี่ส่วนร่างกายของเราเนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นน้ําไม่ใช่อทังนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาแล้วเขาว่าร่างกายเรานี้เจ็ดสิบห้า น้ำในสี่ส่วนเป็ น, เ ป, นเป็นน้ำเป็นองค์ประกอบถ้าเราเราเูาส่วนส่วนน้ำออกมาให้หมดร่างกายก็จะแคบลงไปเหมือนกับเหมือนกับยางรถยนต์ส่วนอย่างก็มีแต่โลมเป็นเพียงประกอบพอเราปล่อยลมออกจากยางรถยนต์ก็มันก็จะราบลงไป เมื่อแตส่ส่วนส่วนส่วนดินคือส่วนตัวอย่านนี่คือเรื่องของส่วนต่นางๆในในโลกจักรเสรินทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตรวนหรือธาตุสีดินน้าลงไฟเป็นส่วนประกอบแล้วดินน้าลมไฟมันมากป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่ตอนที่เราไปตู่เขาอะว่าเป็นตัวเราของเราตอนที่เราไปได้ในท้องของแม่เ่ยใจเราเนี่ยแหละไปสถิตยอยู่ในท้องของแม่อยู่ในร่างกายที่แม่เพิ่งสร้างขึ้นขึ้นมาแล้วพอคลอมาก็อยู่ติดกันมาแล้วก็ตู่กันมาตลอดลว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพร้อมเป็น ตัวเราของเราละทีนี้ก็อยากให้มันดีอยู่เรื่อยๆ อ, อยากให้สวยอยากให้งามอยากให้แข็งแรงอยากให้อยู่ไปนานไม่อยากให้ตายไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บในความอยากเหล่ า, านี้มันไม่ได้ไปกระทบกับความจริงของ ของร่างกายของเขาก็ต้องเป็นไปตามวาระของเขาแต่มันไปกระทบกับจิตใจคือมันไปสร้างความทุกข์ให้ใจความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แใจความอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเป็นตัวที่ไปสร้างความทุกข์เช่นเดียวกับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกฎถ้าพระเรียกความอยากในการ ด้วยความอยากเป็นนั่นเป็นนี้อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากทั้งสามประการนี้เป็นสมุทยเป็นต้นเหตุของความทุกข์องใจนี่คือที่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเฉลในขณะที่ทรงนั่งอยู่ภายใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือนหก ลงเจริญสมถะในเรื่องต้นทําจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วถอนออกจากความสงบมีมีพลังมีความเย็นมีความสบายก็ส่งพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวอย่างของเราแล้วถ้พิจารณาส่วนที่ดีเท้าไปคือนามขันย์ช่วยปัญญาสัานาฐานขายอยินาก็ไม่ใช่ตัวเราขอางเรา และสกาว่าธรรมที่อยู่ในจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราทพิจรณาจนปล่อยวางได้ก็เลยได้ตับทะลุอนุตลาสมาสัญพงทีุ่ย่างพวกสิ่งต่างที่ได้พูดอย่างนี้คือการพิจาณาสัญญาสังถามีอยา่างนัสการว่าธรรมใงจิตเลยยุนเป็น อนนิจจังทุกข์ขัวอนัตตาธรรญยาต้งองพิจาร่ารให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็จะปล่อยวางได้โดยจะพยายามให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมากันทีถ้าไม่อยากถ้าปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาความทุกข์ก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความทุกเขาจะเป็นอย่างไรจะไม่ได้กระทบกับใจ ตัวที่กระทบกับใจไม่ใช่ตัวนามขันหรือตัวสภาวธรรมที่มีในจิตแต่ตัวความอยากตัวความหลงที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้ปัญหาที่เป็นตัวไปกระทบกับติดใจสร้างความทุกข์ให้กกบติดใจพอตัวนี้ถูกระงับ ดับไปความทุกข์ก็นับบต่างไปด้วยทีนี้อะไรจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปกระทบกับใจร่างกายจะแก่จะเสื่อม จ, จะตายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีจะไม่ไปกระทบเพราะใจนี้ไม่ได้มองว่าเป็นตัวเราของเราแล้วมองว่าเป็นของยินน้ำลมไฟเหมือนกับเรามอง มองมองแดบดบแดดลงอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าแดดลงฝนร้างเป็นของเราเขาจะตกไม่ตกเรามรม่ว่าเราไปอยากไม่ได้อยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้เขาจะเป็นพิก เ, เป็นภายเราก็แต่ห้ามเขาไม่ได้มีแต่ต้องเตรียมตัวรับกับเขาเท่นั้นเอง เขาก็ทําได้อย่างมากก็คือทําลายร่างกายในเมื่อร่างการมันไม่เชื่ตัวเราของเรามันก็ไม่ได้ไปทำให้จิตใจของเรากระทบกระเทือนไปไหนเนี่ยคือการการตัดทรลุหรือการการเรียนจบวิชาทางด้านจิตใจจบตรงที่อริยสัจสีจบตรงที่มรร ีมีองค์แปดที่มีปัญญาเป็นหัวหอมที่พิจารณอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัตยธรรมามัสตาแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ภายนอกคือร่างกายของผู้อื่นเข้ามาสู่ร่างกายของเราเข้ามาสู่ความรู้สึกนึะคิด เข้ามาสู อ, อารมณ์ที่มีอยู่ในจิว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราพอปล่อวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วใจก็หุดพ้นจากความคิดเพราะใจไม่อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปเหมือนเมื่อก่อนเป็นไปตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนเ น, นี่ยนี่ปล่อยให้เขาเป็นไปตาเมเรื่องของทา เขาจะเป็นอย่างรก็รับได้ไหมไม่เดือดร้อนลนละนี่คือเรื่องของของการปกิบัตของการทำตัวของเราหรืทำใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทหลารถหมายของพระพุทธศาสนาก็มีเพียงเท่ทานี้แหละคือมาปลดเรื่อง ดวงจิตดวงใจของสามโลกทั้งหลายเช่นพวกเรานี้ให้ได้หยุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความหลงคามที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราล้วก็ไปอย่างนั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อสอนให้<อ> ใ, หให้นาออกไปที่นิสิตจามาเห็นธรรมที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแล้ว ก็จะปล่อยวางไม่เองถ้าพอปล่อยวางได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปนี่ก็คือหน้าที่เลี้ยงานของพุทธศาสนิกชนผู้ที่ตางกันาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะต้องบังเทนจะต้องปฏิบัติ เร้่ต้นจากการทำามดุลให้การเคียรสละลดละสิ่นต่างๆที่มันไม่มีความจำเป็นต่อการดำางชีนชตเอาเก็บไว้เพียงเท่าที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิแล้วก็ควบคุมการกระทำทางการทางวาจาไม่ให้ไป ส, สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้วจะส่งผลส่งความเดือดร้อนกลับมาที่ที่ใจของตนถ้าใจของตนยังไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วนำความเดือดร้อนนั้นกลับมาสู่ใจเวลาที่จะทําใจให้สงบนี้ก็จะทําไม่ได้เหมือนเบื้องต้นต้องมีสีนีก่อนใจต้องไม่วุ่นวายกับการจะทําผิดต่างๆ ไม่มีความุดนวายต่อการกระทาผิดแล้วเวลาจะทำจิตให้สงบก็จะง่ายและจะทำให้สงบได้ก็ต้องมีสติก็ต้องเกร้งสติอยู่ตลอดเวลาสติก็คือการระลึกรู้ให้ใจระลึกรู้อยู่กับวัตถุใดวัตถุหนึ่งเช่นบ่างกายรหรือเวทงงานาหรือจิต หรือทำ ม, มี้อยู่สี่วัตถุมีอยู่สี่ส่วนในการที่สา ม, มารถเอาสติไปไปผูกไว้เอาใจเอาใจกับสตินี้ไปผูกคือสตินี้มันอยู่กับใจถ้าสติอยู่กับตรงไหนใจมันก็ต้องอยู่กับตรงนั้นถ้าบางคับให้อยู่กับร่างกายมันก็ต้องอยู่กับร่างกายนอกจากว่าบังคับมาแล้วมันมันดื้อมันไมนไ่ยอมอยู่ มันก็จะไปอยู่กับเรื่องอื่นได้ส่วนใหญ่มันชอบไปอยู่กับเรื่องของกินเรื่องของตันหาเรื่องของสวยๆทำงานเรื่องของของที่ชอบหรือแม้แต่ของที่ชังเวลาชอบอะไรมันก็จะติดอยู่กับเรื่องนั้นเวลามันชันมันก็จะติดอยู่กับเรื่องนั้นเราต้องต้องตอบชื่อกันต้องแย่งกัน แยกดงมันมาให้อยู่กับร่างกายแยกออกมาวิจิตหรือธรรมใ้มันอยู่ในสี่ส่วนนี้ถ้าเราสามารถแยกมาจากกิเลสได้ต่อไปมันก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราพอเราต้องการให้มันอยู่กับอา ร, รมเดียวอา ร, รมใดอา ร, รมณ์หนึ่งเช่อยู่กับพุทโทร มันก็จะอยู่พระพุทโธมันจะไม่เป็นทําอย่างอื่นมันจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไม่คิดเรื่องอื่นอยู่กับพุทโธได้ไม่นานมันก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยุติทุกข์เอาคืการทํางานของร่างกายาก็หยุกการหมายถึงร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่เดินไปไม่ทําอะไร ความคิดความรู้สึกไม่คิดเช่นเวทนาสัญญาสังขาอยู่ยางก็จะหยดไปเหลืออยู่แต่ความสงบที่เต็มไปด้วยความสุขที่แปลกประหลาดน่าสนใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนพอได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะทําให้ความสุขอย่างอื่นนั้นไร่ความหมายไปไล่่าไปจะไม่ให้ความสนใจกับความสุขแบบอื่นีกต่อไปเมื่อก่อน ยังที่ยังติดอยู่กับความสุดแบบนั้นแบบนี้อยู่พอได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วก็จะไม่สนใจกันตรีนี้จะขอเอาเวลาทั้งหมดนี้มาสร้างความสุขแบบนี้นะเจ้าชู้เพราะตอนได้ทั้งแรกนี้มันได้เดียเด่ยวๆช่วนนอกกระเจากินนั้ำก็เรียกว่าทันนิกาทันนิกาสมาธิรวมลงแล้วก็ค่อย ถอนออกมาเลยแต่ตอนที่ดำเนิอยู่นั้นมันแสนจะวิเศษแสนจาะมหากาลจ้าทำใหอยากจะได้พบกับความสุขแบบนี้มากๆากนี่เพียงแต่เรดูแรา ว, ว่าวิเศษที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่งไรก็คือการมีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกเจริญถ้าถูกเจริญกับพุโทโธก็ให้มีสติกําหนด ควบคมจิตให้อยู่กับพิโตรไปเรื่อยๆพอทําได้ครั้งหนึ่งนะต่อไปมันจะได้มันจะมันจะจับเคได้ละมันรู้รู้วิธีทําำละแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการก็คือต้องการมีเวลาพอตอนนั้นที่ทําอาจจะยังมีภารกิจจากทางอื่นอยู่ยังทําหากินยังแวสวงหาเงินหาทองหาตําแหน่งอยู่แต่พอได้ เพราะกับจิตรวมเนี่ยทีนี้ก็จะไม่อยากได้อย่างอื่นเงินทองไม่อยากได้นะตําแหน่งหน้าที่การ ง, งานต่างๆไม่อยากได้นะ่ก็จะเตรียมตัวลาออกจากงานเพื่อจะได้มีเวลามาทําจิตให้สงบมากขึ้นเพราะการไปทํา ง, งานนี้มันไปขย่าจิตมันไม่ได้ไปกล่อมจิตให้สงบทําไปได้มันก็จะเกิความฟุ้สร้าง ต่างๆตามมาพอกลับมาจากทางานจะมาทําจิตให้สงบก็ยากเพราะมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจึงเห็นว่าเงิ น, น, นทองที่ได้มาตำแหน่งที่ได้มายกฐาบรรดาส์ที่ได้มานี้มันไม่คุ้มค่ากับความสงบที่เสียไปถ้าคนได้พบกับความสงบแล้วรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องทิ้งความสุขแบบอื่นไป แล้วก็จะมุ่งมือ ง, งสู่ความสุขแบบนี้ก็จะมาพบว่าความสุขแบบนี้ดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถาวรเท่านั้นเองมันมันสุขตอนที่มันสงบนิ่งแต่พอมันออกมามันก็ยังกระสับกระสา่ายกระวนกรวายก็ต้องใช้หลักการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ่งเตอนเราก็คือต้องจเจริญปัญญา ต้อพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพอเห็นพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังอนัตตามันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่อยากมันก็จะไม่เกิดทุกข์แต่ถ้าไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตามันก็จะอยากพอมันอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมพอ พิจารณาให้ว่าเป็นธาตุดเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการมีตัวกันแล้วก็มีการแยกตัวกันออกไปตลอดเวลาก็ปล่อยวางอย่าถากาจากกันเมื่อก่อนหลงว่าเป็นของเราเป็นสามีเราอย่านี้เป็นภรรยาเราอย่านี้อยากกันหรืออยากกันทางใจถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบ ไม่มีความผูกไม่มีความผูกมัดไม่ชความผูกพันนี้อยู่ความดูแลการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันนี้มีแต่จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเรารู้แล้วว่าเราไปอยากไม่ได้พออยากแล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาทางที นีปัญหาก็คือว่าจะรู้ได้อย่างต่อเ น, นื่องหรือไม่ทั้งนั้นเองการที่ฟังนี้ก็รู้อยู่เข้าใจอยู่พอหยุดฟังปั้นมันก็เลยไม่ทันทีมันก็กลับไปอยากใหม่เหมือนเดิมปัญหาอยู่ที่ว่าจะทํายังไงจะสอนใจให้มันรู้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจช่องออกอั่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพระอนุึงว่าต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจช่องออก ก็หมายถึงพิจารความไม่เที่ยงแล้วก็เลยรวมไปถึงความเป็นอนัตตาทุกลมหายใจเขาเา้าออกถ้าทําได้รับรองได้วันนี้ก็บรรลุได้ไม่ต้องรอถ้าทำงนานอยานี้มีประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่การปฏิบัติของเร า, าน่าเราจะสอนใจของเราให้ให้เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้อยู่ทุกลมหายใจเ ข, าเาข้าออกหรือไม ถ้าเห็นได้ก็หยุดได้หยุดพ้นไดอย่างแน่นอนตอนนี้ก็มีมีความตื่นเต้นกับการสอนแนวใหม่หรื่องแนวเก่านี่แหละแต่นํามาเผยแพรกันจนทุกคนในทาอประโยชน์ดีใจว่าปฏิบัติง่ายนิดเกีย คือการสอนให้ดูจิตตามรู้จิตตามรู้จิตอย่างเดียวทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมาอดน้ําอดข้าวอดอาหารไม่ต้องมาควบคุมบังคับตัวเองให้อยู่อย่างสบายอย่างปกติแล้วก็ให้ดูจิตไปตามดูจิตไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตก็จะหมดไปเองแล้วก็จะหมดเพราะเอง คอที่ปฏิบัติก็โอ้ดีกวนั่งพุทโธรู้สึกแสบตาแล้วรู้สึกมันแสนจะลำบากทำทำไม่ได้แต่ถ้าตามดูจิตนี้สบายมาก้องดูได้ได้แต่เราไม่เข้าใจว่าดูแล้วมันได้อะไรเก็ได้อาจจะระงับความความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในบางบางเวลาเช่นเราดูจิตแล้วพอเราเห็นว่าเรากำลังโกรธ พอเราดูปั๊บเรารู้เรากำลังโกรธมันก็อาจจะทําให้ความโกรธนั่งเบาบางลงไปหรือหยุดไปชั่วคราวได้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดี๋ยวไปมันก็ไปโกรธเรื่องอื่นเพราะว่าเราเหมือนับตัดต้นไม้เราตัดที่กิ่งไม้อย่างเดี้วตัดเดี๋ยวสักพักเองมันก็นอกออกมาเมืเราไม่ได้ตัดที่ต้นแล้วไม่ได้ไปถอนที่โคนที่รากมัน กามดูจิตตามรู้จิตนี้ก็เป็นหนึง่งในสฏิปัฏฐานสิที่ได้พูดมารู้ว่าจิตของเราเป็นอะไรขนานี้จิตเราอยาดจิตเราละเอียดจิตเราคงทา่จิ ต, เ ร, รจตเราสนุบจิตเราโลภจิตเราโกรธถ้ารู้แลามันดับก็ใช้ได้อต่มันจะไม่ดับถ้าววอนเท่านั้นเองเพราะมันจะดับถ้าววนได้ก็ต้องเข้าไปวิเคราะห์เหตุที่ทําให้เราเกิดความโลภ วัตถุที่ทำให้เราเกิดความโลภว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาถึงจะดับได้อย่างถาววถ้าถ้ายังไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังนัตตายังเป็นเรายังเป็นของเราอยู่เดี๋ยวเมื่อกลับมามีอารมณ์กับวัตถออนนุนั้นเองเช่นสมมติว่าเรารักรถเรามากพอคิดถึง่าเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา เดี๋ยใครมาแตะรบดเรามาเราก็เก ko ิดอารมณ์ขึ้นมาพอเราดูจิตเราก็ระงับอารมณ์มัได้แต่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวใครมาทําอะไรนวดเราเราก็เกิดความอารมณ์ขึ้นมาอีกเดี๋ยวคนเรามีใครที่มีคนที่เรารักมากอย่างนี้พอเราคิดถึงเขาพอไม่เห็นหน้าเขาเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาท่วงเขากังวลพอมีสติอ่ะแล้วก็หยุด ความโกรธนั้นได้เชื่อถ่ายเดี๋ยวพอไม่เห็นหน้าเขาอีกคิดถึงเขาอีกก็เกิดอารมณ์ขช่นนีดูอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่พอหรอดูแล้วมันต้องวิเคราะห์ต่อต้ อ, ตองวิเคราะห์เข้าไปที่ที่ที่วัตถุหรือสิ่งที่เราไปมีอารมณ์ด้วยว่าเขาเป็นอะไรกันแนะ่เขาเป็นเราของเราหรือไม่เขาจะ อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้หรือไม่ถ้าวิเคราะห์อย่างนี้จะเป็นปัญญาแล้วพอรู้แล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะตัดได้นะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้กต่คนะือทีกยังไม่มีกําลังที่จะตัดมันในร่างกายของเราเราก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรายังตับความกลัวแก่ความแก่ความเจ็บความตายได้หรือตัดทั้งทั้งที่รู้อยู่ แต่เราก็ไม่มีกําลังที่จะไปตัดมันทุกครั้งท่านนึกถึงเงลาที่เราต้องเสียไข้ได้ปวดจิตก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานเกิดความเกิดความกลัวขึ้นมาพอเรามีสติ ด, ดูจิตมันก็อาจจะหยุดความกลัวนั่นได้เพอความคิดที่ความที่เกี่ยวเ ร, เรื่องความเสียไข้ได้ปวดมันหยุดไปแล้วพอเรามีสติอยู่กับที่ที่ผมก็คือความกลัวความกลัวแล้วก็ดับไป แต่พอเราไปคิดถึงความเก็บไขได้ส่วนใช่ไหมอา่ามันก็กลับขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไปยิดความว่ามันเป็นต้องเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังรับไม่ได้อยู่เพราะเราไม่มีกำลังเราไม่มีกำลังที่จะตรงมันตัวที่จะเป็นกำลังของการตรงนี้นก็คือการรวมของจิตนี่ถ้าจิตรวมลงแล้วมันปล่อยทุกอย่างขณะที่รวม น, นั้นมันเป็นการต่อชือกขา ตอนที่จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาพรวมนั้นฉะนั้นมันปล่อยหมร่างกายวิทนาสัญญาสังขาันยิ่ยามทัดสมบัติเจ้าของเงินทางสามีกัรยาบุตรธิดาอะไรต่างๆปล่อยหมดตั้นจิตอยู่เป็นเอกเทศตามมันผ่านารมันปล่อยพราะามันอยู่ในสภาพนั้นร่างกายไปมันรู้ว่าไม่ธีปล่อยปล่อยอย่างไรมันมีมันรู้จุดที่มันจะไปไปปล่อยได้ใช่ไหมครับเหมือนกับ เหมือกับพวกคนที่เก็บขยะก็รู้ที่จะเอาขยะไปทิ้งเขาก็เก็บขยะมาแล้วก็ขับไปทิ้งกองขยะได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักกองขยะเราก็ไม่รู้จะเอาขยะนี้ไปทิ้งที่ไหนรู้ว่าร่างกายแก่เจ็บตายรู้ว่าจิตใจมีความ ก, วากลัวกับความแก่ความเจ็บทางกายกายไม่สามารถตรงมันได้ไม่สามารถ่วางร่างกายได้ ถ้ายังปล่อยไม่ได้มันก็ยังมีความกลัวอยู่อยู่อย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆยังอย่าไปเข้าใจว่าเพียงแต่การดูจิตอย่างเดียวแล้วจะไปถึงความนิพพานได้มันเป็นการโฆษณา เ, เชื่อมันเป็นเพียงจิตเริ่มต้นอย่างที่ที่เทศล้วเจ้าว์เป็นกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติคือการเป็นการสร้างสติขึ้นมาให้เป็นให้มีตัวที่จะบังคับจิตให้เข้าสู่ความสงบ มัน่เข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อนเลยถ้ามันเข้าสู่สมาธิได้แล้วต่อไปเวลามันจะตร่งอะไรมันก็จะไปโรงในสมาธิเลยมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างมันเตรียมจะทำจิตให้สงบมันก็ปล่อยวางหมดแต่ถ้ามันไม่รู้จุดของความสงบอยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้จะตรงยังมันก็ยังต้องแบกมันก็ยังต้องแบกไปอยู่ แดดร่ า, แบบางกายแดดความกลัวความแก่ความเจ็บความต า, ายไปที่คนที่เขาปฏิบัติใหม่ๆเขาก็เล่าว่าโอ้ยง่ายเหลือเกินสบายเหลือเกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องอดไม่ต้องถือถือแปดไม่ต้องบังคับทําอย่างสบายจะไปไหนก็ไปได้ให้ดูจิตอยู่ตลอดเวลาเท่านันไปเที่ยวไปรักเลยไปทําอะไรก็ได้ ได้มันก็อยู่มันทําได้มันก็ควบคุมได้ในในในเสียงแวดลราะนั้นท่าั้นเองแต่ชีวิตของเรามันไม่ได้มีเสียงแวดล้อมเนี่นยน่นอยเดียวเสียงแบบรดล้อมเหนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันก็มีเช่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปอย่างนี้แล้วเรายัางจะทําใจดูใจให้มันเป็นปกติได้หรื่าไม่ให้มันเศร้าเสียใจท้อแท้เบื่อหน่ายอย่างนี้มันจะทํายากหรือเปล ในชีวิตประจำวันที่เป็นสภาพปกติมันก็ดูได้แต่ถ้ามันไปอยู่ในสภาพที่อัตกาดร้านแค่แห่งนี้เป็นสภาพที่เสีย่ยงเสี่ยงต่อความเป็นความตาย ย, ายังดูจิตได้ไหมปะยังรักษาจิตให้เป็นปกติได้ไหมปะสติตัวเดียวไม่พอนอกจากสติของพระอาหารหันต์เท่านียถึงจะพอ ถทาของผู้อื่นี่มันไม่พอมันต้องมีทั้งสมาธิมันต้องมีทั้งปัญญาควบคู่กันถึงจะสามารถทําจิตให้ตรงได้ปล่อยได้วางได้แต่การดูจิตอย่างเดียวนี่ไม่พอก็อยากจะเล่าให้สั่งเพราะเดี๋ยวไม่รู้สึกจะมีคนมาเล่าให้สังมากว่า เป็นวิธีที่ปฏิบัติง่ายใช้ง่ายก็ถ้าสนใจก็ลองไปศึกษาดูก็ได้จะได้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงง่ายอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านขาเนิ่งมีเขาเรียน ศาสดาสายพันธุ์ใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆสอนอยา่างง่ายๆแล้วก็แต่ละแห่งก็สอนต่ากันไสมัยนึงก็มีพยายามกระทำก็สอนอย่างนึงสมัยนึงก็ภาวนาพุทธก็สอนอย่างสมัยก็นิกรก็สอนอย่าง <c oughs> โหที่รักสอนอีอย่างนี่เขาเรียกศาสนาพันสายพันธุใหม่ที่ต่างจากศาสดาของพรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่บวชในศาสนานี้ต้องต้องเคารพธรรมยีหนึน่ต้องเชื่อฟังพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินายนี้เป็นศาสดาแทนโลกเต็ บวชแล้วยังไม่ได้ห้าวภาษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงที่สสยกับครูบาอาจารย์กันก่อนไม่ใช่บวชแล้วก็มาตั้งตนเองเป็นอาจารย์เยองตรงนี้ส่วนใหญ่จะพอบวชแล้วก็จะตั้งตนตั้งสันักเป็นเจ้าสันักเป็นอาจารย์ขึ้นม า, ท, าทัำผืนน้อนวิชา ก็มันมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่ากล่าวทำหนี้ติดเตียงยังไงแต่ญาติโยมมักจะมองไม่ออกกันดูไม่ออกกันถูกอกถูกหลอกมาแล้วไม่รู้กี่รอบก็ยังถูกหรอกกันอยู่แม้แต่แต่ละองค์แต่ละสายพันุโผขึ้นมาทีไรก็เตืมกันไปใหญ่ในเมื่อวานนี้ก็ไปบวนเน้นกวนเน้กันหมื่นกับลูกนี่ก็โหนุโวทนาสาธุกป็นใหญ่ตื่นเต้นเป็นการยิ่งใหญ่เป็น ปรากฏการที่ยิ่งใหญ่ของการทพระพุทธศาสนาบวชเลงกันต้องหมื่นกว่าลูปคือจะบวชพระแต่บวบบวชพระนี่มันบวชไม่ได้หมื่นกว่าลูปเพราะมันเสียเวลามากก็จะต้องมีการถามนาคมีการถามตอมีความสัมภัษณ์นาคแต่ละรูปทางที่ปฏิบัติการทำได้ใหญ่ามากก็ครั้งละสามลูก นี่ถ้าเหมือนรูปนี่นถ้าวันหนึ่งนี้มันก็คงจะไม่มีทางข้าประชารูปเดียวแล้วก็ผู้ที่เราในบวชนี่หมื่นกว่าคนเลย น, น, นั่นวันหนึ่งมันไม่มีทางจะบวชเสร็จนะ้ขาก็เลยใช้วิธีนี้เวลาบวชเมนี่ถือศีลสิแล้วก็เวลาตล่ตาวกล่าวทำบวชเมงต้กล่าวพร้อมกันได้แต่วันนี้เมื่อวานนี้เขาให้บวชเมงก่อนแล้ว จะบวดพระอีกสาวันก็แยกไปเขามีวัดอยู่ร้อยวัดร้อยแห่งให้ไปบวดตามวัดต่างๆกันการบวดทั้งนี้หนุนนี้เพื่อต้องการสร้างภาพจะได้มีการจับฉาบทั้งถ่ายรูปวิดีโอถ่ายอะไรเผยแพรให้แก่คนที่ไม่รู้เรื่องทางการโฆษณาจะได้ตัดตื่นไปจะได้ตื่นเต้น ถ้ามองไม่มองไม่ทะลุมองไม่ออกก็จะหลงหลายข้างไครกันบ้าไม่รู้วันนี้จะพูดอะไรก็หาลงเพื่อใครมีอะไรงสงสัยไหม เรื่องหนึ่งก็ได้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องปฏิบัติก็ได้้ารอสารขอสารภาพว่าช่วงนี้ปฏิบัติตัวไม่ดีนะครคือคือหมกมุ่นกับเื่งงาน มากเ อ, อจนกระทั่งแทนที่จะเ อ, อพอจะหลับเป็นพุตโฟก็พอจะหลับเป็นเป็นพรุ่งนี้จะทําอะไรต่ อ, อ, อพอจะตื่นก็วันนี้จะทําอะไรต่อมันอยู่แต่กับอนาคตไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็เห็นนะเจ้าค่ะว่ามันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่ว่ามันเหมือนเหลืออะไรที่ต้องทำอีกเยอะเยอะก็เลยดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อะเจ้าค่ะ ถ้ามันจำเป็นต้องทำก็ต้องทำแต่มันก็มีขอบเขต ม, มีเวลาไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเลยเถิดไปเห็นถ้ามันหมดหมดความจำเป็นแล้วเราก็ควรจะรีบกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันมาสร้างความสางบของจัตให้ได้ถ้าเราไม่กลับมาสร้างความสางบให้ทําให้จิตรวมได้เราก็จะวนอยู่ในอ่านงนี้เราก็จะไปไม่ถึงไหน แล้วพอเราร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ในช่วงที่จําเป็นต้องหมกมุ่นกับการงานก็ขอให้มันเป็นชื่อระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอย่าให้มันเลยเถิดไปพอมันหมดเวลานั้นแล้วเราต้องรีบ ก, กระตุกเราต้องเลียนเป็นเสร็จแล้วจับเข้ามาสู่การพลังา น, น อย่างจริงจังถ้าไม่นช่นั้นแล้วมันก็จะไม่ทุกน์มากแลวมันอาจจะไม่ไม่ทําไรลุ่ยเรื่องเพราะว่าเราทะเลทลายเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของการปฏนะิบัติเท่ากับ งานที่เราทําอยู่ก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นความจําเป็นจริงๆก็ต้องยกให้เขาไปก่อนแต่โน้นมีอะไรที่มันจะจําเป็นสําคัญตลอดเวลาอาจจะเพื่อเป้าหมายเป้าเป้าหมายอันใดหนึ่งเช่นทํางานเต็มที่เพื่อจะเก็บเงิ น, เ, นเก็บทองไว้เพื่อให้มีเงินทองนี้มาปฏิบัติถ้าอย่างนี้ก็ต้องทําปก่อนแต่พอได้ได้บรรลุเป้าหมายของเราแล้ว เราก็ควรที่จะหยุดการงานนี้หรือทําให้มันน้อยลงไปแล้วมาทําการงานทางด้านจิตให้มากขึ้นการสารภาพนี้มันไม่ไ ม, ไม่เกิดไประโยน์อะไรแต่ถ้ามามาเล่าไม่ฟังเพื่อขอทําแนะนํานนก็ด้าแต่การสารภาพนี่มันถ้าคิดว่าสารภาพแล้วกลับไปทําหั่ได้ก็อย่าอย่าสารภาพดีกว่า สารภาพเพื่อที่จะเป็นการเตือนชัวเราเองว่าเรากาลังไปในทางที่ผิดเราต้องเราต้องหยุดหรือถ้าเราต้องไปเพราะความจำเป็นก็ไปเท่าที่จำเป็นเมื่อเราได้บรรลุถึงเป้าหมายของเราแล้วเราก็ควรที่จะกลับมาหางานที่แท้จริงของเราคืองานทําจิตให้สงบงานนี่แหละเป็นงานที่แท้จริงของเรา งานสวยเลย เ, เป็ น, เนงานสนับสนุนงานนี้เท่านั้นเองอยากเรียนพระอาจารย์ ค, าาค่ะเชิญกลมาครับพระอาจารย์คะอยากขอคำแนะนำอะไรอย่างไรนะที่เพิ่งเริ่มมานะคะพิจารณาความที่สวยในงานแล้วก็ววกอัตราค่ะแล้วก็ฟังเทลงตัว น, นี้ฟังไปนี่ก็คือมีความเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าอยากทราบว่า ตรงที่เราจะตัวเราแบบของเราในในส่วน ท, ที่ภาพสีน่ยค่ะที่เราฟังแล้วเราเข้าใจเนี่ยแต่เรายังไม่รู้สึกว่ามันเป่นขอเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทำไมคะมันก็ดีตัวอย่างก็ผมมติว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วถึงว่าเราเจิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่งางๆ ถ้าเราเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ควรจะปล่อยมันนั่งเฉยๆแล้วถ้าเราเชื่อว่าเวทนา น, นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บปวดนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ปล่อยมันให้มันจบมันจบปไปหรือ เ, เราจะสมมติว่าความเจ็บปวดนี้เป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาร่างกายเช่นเวลาที่เขานำไปเผาสุด เราร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันใช่ไหมร่างกายคนเป็ น, นตรงกลางไม่เปลี่ยนแปลงมัเปลี่ยนตรงที่ว่ามันหายใจนี่หายใจเท่าเดิมแต่ส่วนประกอบต่างๆนี่ก็เหมือนเดิขมขนก็ยังเป็นขน อ, อยู่ขนก็ยังเป็นขน อ, อยู่แล้วตอนนั้นทาไมร่างกายมันปล่หให้ไฟเผาได้ความที่มีจิตอยู่ก็ถ้าจิตเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงยด น, น้ำนูนไฟ ถ้าทีื่อว่าเวทนานี้เป็นเหมือนไฟที่กําลังเผาร่างกายอยู่จิตก็นั่งมอดูมันไปสิเผามันไปนั่งดูเวท น, นาที่เป็นเหมือนไฟนี้นเผาร่างกายไปเจนกระทั่งม่างกายเป็นที่เท่าที่ฐานไปแล้วมันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะเห็นเองมันก็จะเห็นเองว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็เป็นส่วนของดินน้ำเหมือนไฟมันจะแยกออกจากกันเพราะตอนนั้นจิตมันจะปล่อย พอปล่อยแล้วมันก็จะรู้ออร่างกายนี้มันจะเป็นเหมือนกับถูกยินที่เรานั่งเพื่อนที่เรานั่งอยู่นั่เดือดไปเป็ น, เ ป, นเป็นเนื้ออันเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันส่วนจิตผู้ที่ดูนี้ก็รวมลงเข้าสูาส่ความสงบสบายไม่ได้ทุกข์แล้วไฟที่เผาร่างกายนั้นมันก็มอดหายปไปหมเมทนาก็ดับไปมมันจะเห็นอย่างนั้นถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่สงสัย แต่ตอนที่เราเห็นนี่ยังเป็นจินตนาการอยู่ยังเป็นสัญญาอยู่แต่เราต้องมาใส่สัญงานนี้มาเป็นตัวสอนเสร็จสอนจิตก่อนสอนจิตแล้วพอเราเข้าสื่อในเหตุการณ์จริงเช่นในขณะที่เรานั่งลราเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ต้องเอาความจริงที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและวิทนา ว, ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเรามาใช้เลย ใเวลานั้นร่างกายก็เป็นเหมือนซากศพเวทนาก็เป็นหมือนไฟที่กำลังเผารากศพจิตก็เป็นผู้ดูก็ดูไปไปเหมือนกับเราไปงานศพงานศพตามชนบทเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีเมรเขาเผาแบบตั้งไว้บนกองถุมเราก็นั่ง ด, ดูได้เราก็นั่งดูร่างเกา่าของเราก็ยังถือ ไฟของความเจ็บปวดนี่เผาร่างกายแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเพราะเรากําลังพยายามปลงพยายามทําใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราทําใจได้ถ้าจิตเรามีความสงบเป็นพื้นฐานแะล้วเราก็เกาะจิด อ, อยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ดูมลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะ แยกออกจากกันในที่สุดเมื่อร่างกายเมื่อภาพที่เราดูอยู่นั้นมันจะมันจะเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ไฟเผาร่างกายจะนกระทั่งร่างกายน่างกายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปตอนนั้นมันก็จะเกิดกระารแยกออกจากกันร่างกายมันก็จะไปอยู่ส่วนหนึ่งกับของพื้นที่เรานั่งอีู่เป็นจิตความใจ เข้าสื่ความสริงถ้ามันเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะมันมันจะเห็นชัดเจนมันจะไม่สงสารและมันจะปล่อยได้เพราะมันรู้ว่าปล่อยแล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นโทษอะไรเลยการไปยึดไปจิตมัจับเป็นโทษเพราะปล่อยแล้วจิตสงบจิตให้มีความทุกขถ้าไปยึดไปจิตจิตจะประวนกระวานกระสับก็ะสาร ไม่ได้เห็นอะไรขอรเนข้าราชการถามอาจารย์ค่ะคือว่าเวลาที่มีความเกรธนะคะโดยตัวเองนะนะคะบันทีเราก็จะมีสติไอ้สติรับรู้บันทีระรับได้บันทีก็รู้ทันบานทีก็ ก็ก็ไม hmm. ่ทันก็จะมีสอบก็รู้ดิบ้างแล้วช่วงนี้ก็เป็นบ่อยเลยค่ะถึงที่แบบเราจะทําให้เราโมโหแล้วไม่พอใจอย่างันนี้ไม่นี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหมายว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงเพื่อรับความโกรธอะไรอย่างเนี้หรือว่าทําให้พอใจนั้นคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ก็เป็นคนลครอะไรอย่างเนี้ยทําให้เราโมโหบางครงที่มีเรื่องที่้องทีเหมือนโดนแตะได้บ้างอะไรอย่างนี้ บางทีเราก็ไม่เคยจะอิกฉาล้านอะไรอย่างนี้คือความโกรธของเราเ น, นี่มันเป็นผลที่เกิดจากความโลภหรือความอยางพอเราโลภหรืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ตามใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาส่วนความโลภมันก็ออกมาจากความอยางควา ม, มอยากที่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ให้ความสมอยางออกับเราได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อย่าไปอยากอยากไปโลภ นั่เานแหละนั่นแหละเรากําลังโลกแล้วเพราะเราอยากจะให้เขาว่าแล้วพูดชมเราไม่เราไม่อยากให้เขาด่าเรานั่นก็อยากแล้วเนี่แค่นี่แหละเราเราไม่อยากให้เขาว่านี่ก็เป็นความอยากหีืออย่างงั้นเราต้องยอมให้เขาด่าให้เขาว่าอยากเขาด่าถ้าเราอยากก็ด่าแล้วเราเขาด่าเราเราก็จะสงใจเรากเราก็จะไม่โกรธเขาเราจะขอบใจเขาเข้าใจไหม ทุกอย่างมันมีความอยากอยู่แค่นันมันเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นความอยากกันนี่บางทีมันเป็นความอยากในกากับเราอยากเข้าชมเนี้ยถ้าเราอยากเข้าชมเราก็ไม่อยากจะให้เข้าด่าใช่ไหมหรือถ้าเราไม่อยากทั้งไม่อยากเข้าชมแล้วไม่อยากเข้าด่ามันก็มันก็ยังเป็นความอยากอยู่พอเข้าชมพอเข้าชมนึกเท่าด่าแล้วก็เราก็โกรธขึ้นมะ ถ้าเราต้องทาใจให้เป็นกลางก็คือทาใจให้เป็นสมาธิป่อยวางแล้วก็ใช้ปัญญาว่าอยู่ในโลงนี้มันต้องมีทั้งสต่ละเสียงและมีมิถาเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดามีการเจริญรากเป็นธรรมดาก็มีการเสื่อมรากเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสละเสงย่อมีฐาน มีความมีทายเป็นธรรมดาเป็นของผู่กันมีสุขก็ย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเรา ream, ยินดีจับสิ่งใดสิง่งหนึ่งพอสิ่งนั้นมันหายไปเปลี่ยนไปเราก็จะเกิดความทุกข์แล้เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะนั่นเองอ ก, ก็ต้องอยากไปอยาดทำอะไรอย่าไปหวากได้อะไรอยา่าคือให้ยินดีการมมีตามเกิดตอนนี้ได้อย่างนี้ก็ตอนนี้เข้าชมก็ได้ พรุ่งนี้เขาด่าก็ได้ใช่ไหมให้รับได้ทุกอย่างอย่าไปเอาส่วนใหญ่ใจของเราจะจะอยากได้การเจริญจเจริญราบยศเจริญสุขพอพอมันเสื่อตัดเราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีทัาทีเราปฏิบัติแสดงว่าเราทำได้ไม่ดีคือเรายังไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติของเรา แล้วเราเพียงจะรู้ว่าพุทโธพุทโนั่งสมาธิไปนั้ น, ส, ส, นส่วนใหญ่จะรู้เท่นี้แต่จะไม่รู้ถึงเรื่องของปัญญาว่าว่ามีความจําเป็นต่อใจระยับดับความโลกความโกรธความเหนือยของเราอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดว่ากสอนเท่าไหร่ก็พูดเท่าไหร่ก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แล้วก็เลิมหากันแล้วเรากลับมาถามคําถามเดิมๆแบบเดิมๆตรงนี้เพราะว่าไม่ได้เอามาฉันใจไม่ได้มาคิดอย่างอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความหลงอย่างที่พูดแต่เริ่มต้นคือทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องมันไม่ได้เป็นไตามความอยากขอาต้องการของเราแต่เราก็ยังหวังที่จะอยากไม่ได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ พอไม่ได้สมใจอยากก็เกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาแท่านั้นเองเรื่งใหญ่แค่น้นแหละประเด็นเร่อยู่ตรงนั้นเพียงแต่เราไม่ไม่เกาะติอยู่ก็บประเด็นนี้พอเราเห็นอะไรสวยๆงามๆเราก็เราก็อยากมันได้แล้วแล้ว เ, เรามีความรู้สึกความรู้สอยู่ในใจว่าเราเราไม่อยากให้คนมาตำหนิรเรามาว่าเราพอใคราพูดมาตำหนิมาว่าเราเราก็เกิดความเกิดขึ้นเรา เอเป็นเป็นตัวหนึ่งตัวอย่างหรือเป็นเครื่องตัวอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์จะใช้สอนลูกศิษย์ลูกหาท่านชอบยายือยื้อยาโทรศัของลูกศิษย์หรือลูกศิษย์ <c oughs> <c oughs> ก, ก็รู้ว่ากดครูบาอาจารย์ก็ได้ <c oughs> แล้วก็กดอยู่ข้างนั้นเลงแต่ <c oughs> ลูกศิษย์นั้ก็ดับได้เพราะว่าท่านช่วยคุยเขียให้เรา พระบางทีบางคนพอได้สมาธิแล้วที่เราบรรล้แล้วไม่โกรธแล้วหรือบางคนสังเทศน์ฟังธรรทราบถึจิตทราบถึงใจแล้วที่ว่าไม่มีความโกรธแล้วหมือนนิทานเรื่องที่คุณหคุณนายฟังเทศน์ฟังธรรมหลวงพ่อโยมบางคนที่ทราบถึงใจจิตสงบกิเลนี้สงบมากความไม่ต้อความโกรธไม่รีบรีบรีบนใจก็จะดีใจไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า แต่แต่หนูได้สังเทศฟังธรรมหลวงพ่อในเรื่องนีกจรตใจหนูเย็นสบายไม่โกรธไม่แค้นไม่อะไรพันธุ์ทุกหลวงพ่อรอริตรเลยเราะฉะนั้นก็โผเล เหมือนคนยืไปาน้องสู๋เชีย๊ยนต้องทำใจต้องมากเลยถึงนงมาทน่าทำไมวะเมืมมม่อก่อนเมยตากันไปเก่าเามายิ่งกเกนตรงนมาทำไมมาไม่มได้เรื่อยมเรือยดำมไล่ไปเลยลอุบายของครูบาอาจารย์สอนเราตั้งแต่ก้าวแรกเข้าไปในร่างนี้ท่านก็เยี้สายรองก่อนนะ เงินเงินที่อู่นนะไพนาอ๋อยขอต้อนรับยินดีแรงแงข้าวแกงนะดูสามตัวเนี่ยมันอยู่ที่สามตัวเนี่ยือโรคเกิดหลตัวเลอตัวแรกก็คือตัวหลงเรายังมีความหลงอยู่มากเราต้องพิจารณาใจละหยี่ยนเนี่ยอางน้ไม่มีอารม ที่เพียงแท้แน่นอนไม่มีเราที่จะสนใจอย่างแล้วพอเรารี้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปอย่างมันก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามมีตามเกิดจแต่ก็ไม่ได้ปล่อยหมดหมายถึงว่าส่วนไหนที่เรายังทําได้แล้วก็ทำไปเรามีงานมีาการเราก็ทำกันของเรามีหน้าที่เวลาแล้วก็ทําันของเราให้ดีที่สุดแต่เรื่องของคนอื่งเขาเขาจะอนุโมทนาหรือไม่เขาจะด่าเรา หรือไม่ก mm ็เ hmm. ป็นเรื่องของเขาเขาจะดีกับเราหรือไม่จะเชื่อกับเราหรือไม่ก็เรื่องของเขาเราเราไปบังคับเขาไม่ได้ดูเขาเหมือนเป็นเป็นเป็นลมเป็นฝนเป็นแดดบอกให้เขาเป็นไปการนี้ของเขาฝนจะตกก็ไปตกไปแดดจะออกก็ไปออกไปถ้าอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เข้มงวดใจะ เช่นกันนะคะสมุขอกล่าวเป็นว่าถ้าสมมติอย่างเคสอย่างเงี้ยเป็นในที่ทา ง, งานนะถ้าเกิดเป็นกับหัวหน้างนานกับเราเงยค่ะก็เหมือนกันอยากไปก็แล้วแต่เราก็อยากไปลองอะไรจากเขาแล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราไปหาที่อื่นทำดีกว่าไหมก็ยี่ฝั่งประเด็นว่าเราไปเพราะอะไรถ้าเราไปเพราะเราทน เขาไม่ได้สแสดงนะเราแพ้ทางด้านปฏิบัตเราก็ต้องอยู่ต่อถ้าเราอยากจะเอาชนะทางด้านปฏิบัติต้องต้องชนะใจเราใจเราต้องปล่อยให้เขาทํำเลยใช่ไหมแต่ที่มีมีขาออ้างว่าไม่ไง่ายที่ทงบอกให้พระเจ้าย้ายที่ไปจะอยู่ตรงนี้เล้วพระเจ้าปัญหามีมมมม่อยู่ตรงนี้ก็ต้องช่แก้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปที่นันก็เจอปัญหาเดิม ปัญหานันไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาไม่อยู่ที่เราถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นมันเป็นปัญหาที่อยู่ในใจเราเราก็ต้องแก้ที่ใจเราไม่อย่าไปปืนที่ถ้าเป็นปัญหาเราาื่องเงินเดือ น, นมันน้อยกว่ามันน้อยไปทำํำยังไม่พอใช้อย่างนี้ก็ไปหางานที่อื่นที่ได้เวลายได้มากกว่าก็าไปอันนั้นเป็นคนละประเด็นกัน ต้องแยกจะเดห้ออกว่าเราไปเพราะอะไรเออลองน้อมใจแฝเขาลองแพ้ใจยองแพ้กิเลสลองแต่ถ้าเรายอมแพ้เขานอนชนะกิเลสยอมแพ้เขาคือยอมไม่ก็ทำในตามความต้องการของเขาใจของเราก็จะสงบสบายไม่เบีดียนเขาก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟ เขาก็เป็นอ bon, ่างแดดเลยฝนฟ้าถ้ามองเขาอย่างนั้นคือฝนตกแดดออกเราเป็นโมโหนเวลาฝนตกดาดออกเราหุดหงิดใจเวลาฝนตกแดดออกเวลาเขาแสดงอาการอะไรออกมาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ํำลมงฟแค่นั้นเองเราไมนจะดูว่าเขาเป็นดินน้ําลงมัฟเขาเราไปมองว่าเขาเป็นคนเป็นเจ้าหน้าหรือเป็นําะไรก็แล้วแต่ อันนั้นเป็นสมมติการเกณฑ์เขาเป็นเกณฑ์ดุ น, น้าวมีใครทั้งนั้นมาเนี่ยการดูจิตต้องดีอย่างเงี้ยการว่า ง, ง่ายคือเราก็ว่าผมก็พยายาม เหมยถ้่านอาจะรยบอกก็คือไม่ได้สนใจน่เแต่เหมือนกับว่าเขาก็จะถามว่าทาไมถิ่นเงียบอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่ต้องบอกเขาเลยถ้าตอบว่าท้ายเป็นภาคชนะเป็นนามาเลยหวหน้าเอาแก๊ซีกวเลี้ยงหวงเขาวก็ค mm. ุณจะทำอะไรก็ทาไปเพื่าไม่เป็นปัญหาเลย อปัญหาไมันอยู่ที่ใจเราใจเรามีมีความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ยอมรับเขาตามความเป็นจริงของสคือมันมันก็เหมือนคิดได้แบบนี้คือทุกทีก็คิดแบบนี้ทีคือมันแค่ความง่ายคือเหมือนเขาว่าก็ได้ทำมนห้องได้ไปก็มาเตืนตัวเองในในแบบนี้แต่มันก็ มันคือความหลงมันมันเร็วกว่าปัญญาพออยู่ในเหตุการณ์นะความหลงมันออกก่อนความอยากมันออกก่อนมันก็เลยไม่ทําเลยเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตของเราสติของเราไม่เร็วคพอปัญญาของเราไม่เร็วพอสมาธิของเราไม่มีที่จะหยุดจิตของเรามันก็เลยไปยันตอนนี้ก็ต้อง เนี่ยก็เป็นการทดสอบกิการของเราว่าเราปฏิบัติจปเป็นยังไงตอต้องขึ้นเวทีถ้าเป็นนักบวยก็ต้องขึ้นเวทีถึงจะรู้ว่าเ อ, อได้ได้ชั้นหรื อ, อยัง <c oughs> วเวลาต่อยกันสอบใจ ง, ง่ายเพราะมันไม่ตอบโต้ <c oughs> ตออเราเราต่อยกังยังไงก็ได้เวลาเราคิดย้อนอยู่เนี่ยเราพิจารณาอยู่นี้แล้วก็พิจารณาได้ แต่พอรอขึ então, simple, able, Please, put, e mm, ้นไฟเวทีนพอโดนเขายับขึ้นมาทีก็งงงงเป็นไก่ตาแตกไอ้ที่สุดที่ซ้อมมาที่ขายเป็นหมนเลยคือเราก็คิดเหมือนกันนะถ้าไปก็คือเหมือนก็เราก็หนีหนีตันขาไปแต่ว่าเราแผ้ แต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่แล้วมันถึงกับจะเป็นบ้ายบาถึงก็ต้องยอมก็ต้องไปก่อนไ <c oughs> ต้อต่อกงไปก่ อ, กอกนกกแต่คนที่อย่างคนอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านมีพลังพอที่จะรับได้า่านไม่ถึงกับสยู่เฉยๆท่านก็อยู่ ถ้าเราอยู่เราจะต้องเีสติเป็นบ้าไปาก็ถอยไปตั้งถอยไปตั้ง ก, ก่อนก็ได้แต่ต้องรู้ว่าเป็นการถอยเพื่อสู้ออกไปไม่ใช่ถอยไปเรื่อยๆพอเจอปัญหาเดิมก็ถอยอยู่ถอยอยู่เปอย่างนี้ไม่ควรควรจะถอยไปเพื่อไปไ ป, ไปตั้งหลักไปสร้างเสริมสร้างพลังจิตให้มีพลังมากขึ้นเพอจะได้รับกับเหตุการณ์ไา้ ต่อไปก็เหมือนเวลาเวลาปฏิบัติเราก็ต้องเป็ียนวิเวกันก่อนนี่เราไปไปเปลนวิเวกเพื่อไปในสร้างกําลังจิตสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพราะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้มันจะไม่มีมันมันจะไม่มีโอกาสได้สร้างเพราะมันมัวจะต้องคอยรับกับเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เราก็เลยต้องติดตัวไปหาที่สนงกเพื่อไปชร้างพลังขึ้นมาพอเราคิดว่าเรามีกําลังพอแล้วเราก็กลับมาทดสอบดูกลับมาขึ้นมเวทีดูหรือว่าเป็นยังไงติดของเราหนี้ถือได้ไหมต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีนี้จะชัว่วเราก็อยู่เหนือเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าเพื่อจะรู้ว่าผ่านนี้ไม่ผ่าน เรืองดีขึ้นหรือเูื่องเร็วลงก็จะรู้แต่ในเรื่องต้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างธรรมยาสร้างสมาธิสร้างสติเราต้องติดวิเวการองไปอยู่ที่สมเหตุสมผลก็เป็นเป็นเหมือนกับคนไข้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้เหมาะต่อการรักษาร่างกายวางที่วิเวกต่างๆก็เป็นสถานที่เหมาะต่อการรักษาใจ เราจะมีกําลังมีกําลังแนละ้วทีนี้ก็เอามาประเชิญกับโลกต่านะ้ๆไม่หวังหวังกับโลกกระทำทั้งแปะพระพุทธเจ้กาก็ยังต้องเสด็จเรื่อยๆถึงหกหกปีด้วยกันต้องออกจากวังไม่รู้ว่าอยู่ในวังไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้เพราะมันมีเรื่องเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่คอยรับเรื่องมันก็เหนื่อยแนละ้วไม่มีเวลาที่จะไปปลูกธร ฝูฝังให้มีสติมีปัญญามีสมาธิโพ่มากขึ้นก็เลยต้องต้องเล่รอดออกจากพระราชวังไปเพื่อไปเสริมสร้างสติปัญญาจนกระทาั่งจิตมีกำลังเป็นที่นักนนี้ใครมานี้ว น, นไปไหนก็ไปเหมือนใครได้ทุกคนทุกแห่งพระราชบิดาส่งสงสารให้ไปโปรดที่พระราชวางังก็จะเสด็จกลับไปโปรด ไม่มีความรู้สึ็หวั่นไหวอะไรเลยไปแล้วไปแล้วก็ไม่ติดด้วยไปแล้วก็ไม่อยู่ไปแั้วก็ออกมางั้นถ้าอยากจะเสริมทร้างกําลังจริงๆก็ออกงานเพื่อไปปฏิบัตเลยไปเปลี่ยนงานทำไมเสียเวลากปล่าเราทางตรงเลยเราทางตรงเลย งอนจะงานไปปฏิบัติเลยสามปีห้าปีก็ได้แต่ว่าจะกลับมาทํา ง, งานต่อก็ได้จะมีความรู้สึกที่ไม่เหนืนกับเมื่อก่อนเพราะถ้าปฏิบัติสามปีห้าปีมันต้องมีอะไรแน่นอนแต่มันจะไม่กลับมาก็ทำ ง, งานก็ถือทามันได้อะไรันไม่กลับมาทํา ง, งาน ถาันกลับมาก็มามาสอนคนได่มากกว่าจับเรียนถามท่านอาจ า, จ า, า, า ร, ร, าาททรย์เจ้าค่ะถือว่าการภาวนาพุทโธเนี่ยคือคือช่วงเนี้ยช่วงหลังเนี้ยเจ้าค่ะคือภาวนาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้รู้สึกมุ่งซึมไปมากกว่ากับพการที่ว่าอย่างเมื่อกี้เมื่อช่วงเช้าที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ดู ให้เนารนณาดูกายเราก็นั่งดูกายอ่ะอโอเคเราเรามีสติรู้รู้ตัวอยู่แต่ก็พอทันใดๆมันก็จะง่วงไปบ้างแต่ว่าก็ดึงกลับมาทด้เจ้าค่ะแต่ถ้าเทียบกับการที่บอกว่าภาวนาพุทโธพุทโธไปคือมันมันเหมือนกับว่าพอเราออกมาแล้วเนี่ยมันซึงมันทําให้เรารู้สึกง่วงหรือบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันร้อนอก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดอย่างไรเจ้าค่ะคือปฏิบัติมันไม่ได้ผล แลนก็ปัญหาก็คือสติมันไม่ไม่มีกำลังพอพอถ้าเราบ่อยกรรมไปแล้วสติมันอ่อนเนี่ยมันจะเข้าไปทางผวังหลับมันก็อยากจะเกิดอาการเคร่งอยากตะหลับขึ้นมันก็จะไม่ได้ผลการที่เราจะทำให้เกิดได้ผลนี่เราต้องอยู่ในที่ที่มั น, น่ากเกิน ตอนนั้นสติสตางค์มันจะดียันไม่ใช่หรือไม่เช่นั้นถ้าเราไม่สามารถจะอยู่ที่หน้าเตัวได้เราก็ต้องผออนอาหารเช่นรับประทางอาหารมือเดียวานี้มันก็จะทำให้ร่างกายเบาขึ้นทำให้ความง่วงเหงาหงายนอนน้อยลงไปแล้วเราก็ควรจะฝึกเป็นสติอยู่ทุกเวลานาทีไม่ช่สุดแต่เฉพาะตอนที่เร า, านั่ง ทำพุทโธเลยคือเราคนจะตื่นตั้งแต่ตื่ขึ้นมาเลยพอตื่ขึ้นมาเราก็ตั้งสติเฝ้าดูกายเราไปก็ได้กายเราจะลุกเราก็ให้เฝ้าอยู่ที่กายอย่าอย่าไปที่อื่นกายยืนขึ้นมาเดินทํำอะไรจะให้อยู่กับการประทันของการอย่าไปคิดเรื่องถ้าเรามีสติอยู่เอย่างนี้อย่างต่อเนื่องพอเรานั่งภาวนาพุทโธห้านาทีก็รวมรวมได้ เพราะว่ามันมันจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่ไปที่อื่นการ ม, มีอารมณเดียวอย่างต่อเนื่องที่ห้านาทีมันก็โยมมได้แต่ถ้ามันไม่มีอารมณ์เดียวมันอยู่ได้แค่สองสามยี่นาทีแล้วก็รักไปที่นั่งนั้น น, น, นี้แล้วก็กลับมาอีกนาทีนึงก็กลับมาอีกสองสามยีแล้วก็ไปอีกอย่างนี้นั่งทั้งวันก็ยังไม่สงบแล้วมันก็จะเกิดอาการอย่างที่เราพูดเนี้ย จะอาการที่มันไม่ที่เราไม่ปราศเสหนะง่วงเหงาเขานอนนึกเกิด อ, อาการรุ่มร้อนอะไรขึ้นมาได้มันเป็นวิวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่ให้ได้ผลก็ต้องจเจริญสติเป็นหลักเป็นงานประจําตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในปในภาณิติการงานอะไรก็ในปัจจุบันนั้นให้อยู่กับภาณิติการงานนั้น อย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่เรากําลังทําภารกิจต่งตางๆให้อยู่กับภารกิจนั้นให้ใจจดจอ่อเข้ามองดูอยู่กับการกระทําของร่างกายถ้าอยู่อย่างนี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาเรื่มมันจะทําไม่ได้อยู่ได้เดี๋ยวเดีๆมันก็อดไปคิดไม่ได้แล้วแปลงฟันอยู่ตรงนี้มันก็ยังไปคิดเรื่องางานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ได้ที่แสดงว่าผมมสติแล้ว ถ้ามีสติมันต้องอยู่กับการกาลงควาอยู่ทุกทุกจังหวะของการแปลงเลยถึงจะเรียกว่ามีสติถ้ามีสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องแล้วท่านจะทำจิตให้สงบนี่ไม่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรปรัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ไม่มีสติกําลังพอที่จะดึงใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้นั่นเองมันชอบอยู่หลายอารมณ์ชอบอยู่กับหลายเรื่องหลายราวชอบคิดเรื่อเยเกย พอมันที่งเลือดเปิดใจมันก็หมุนไงจิตมันก็หมุนมันหมุนว่ามันจะไปหยุดได้ไงมันจะสนงกได้ไงแต่ถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวนี่มันจะหยุดมันจะหยุดหมุนพอมันหยุดหมุนแล้วมันก็จะรวมันเข้าสู่ความสงบดังนั้การการปฏิบัติที่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือสตินี่เองที่พระพุทเจ้าทรงพยากรณ์ว่าบรรลุได้เจ็ดวันหรือเจ็ดปีนี้ก็อยู่ที่ตัวสตินี่กันหมด ถ้าได้สติแล้วเจ็บน้ำก็บรรลุได้ทั้งนั้นเองนพอได้สติแล้วทําอานาปนานสติให้จิตสงบ ก, ก็จะสงบลงพอจิตสงบลงลงมๆงงก็จะมีพลังออกมาจากออกจากสมาธิพิ จ, จ า, ารณาาจนัดเดียวเดียวมันก็มีดได้มันเปนอย่างนี้นสติมันจะควบคุมจิตให้อยู่กังานที่ต้องทําเวลาทําสมาธิก็อยู่กับการทำสมาธิเวลาจเจริญปัญญาพิ จ, จารณา ใจรักก็จะอยู่การพิจารณาใจรักมันจะไม่ทะเลทลายการคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอกเรื่องนอกราวของนอกเรื่นอกทางมันจะไม่ไปมันจะจดจ่ออยู่กลางยนถ้าอย่างนี้แล้วไม่นานมันก็จะหลุดได้เจ็ดวันก็หลุดได้หรือเพียงฟังคนเดียวก็หลุดได้ถ้ายันโกนทะลักฟังทั้งแรกก็หลุดได้เพราะจิตจดจ่ออยู่กับกลางยันแล้วก็พิจารณาตามความจริงที่มือเจ้าทรงแสดงไว้ พอเห็นว่าอ๋ปัญหาอยู่ที่ความอยากก็ตัดความอยากร็จินมันก็ลอยลง้าสู่ความสงบปล่อยวางความปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะท่านจิตมีสมาธิอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วขาดแต่ปัญญาแต่พวกเรานี้่ลงตรงกันข้ามล้วขาดสติเรามีปัญญาเยอะเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันไม่นี่กี่ร้อยม้วนกี่ร้อยแผ่นเต็มไปหมด แต่มันเป็นปัญญาที่ไม่เป็นภาวนาไม่ยักปัญญามันเป็นสุตตะไม่ยักปัญญามันไม่ได้ท่้าไปสู่ใจมันไม่ได้ท่้าไปสู่ใจที่ทำสอนอยู่ทุกเวลานุกทีเพราะใจมันจะคิดเรื่องอื่นมันไม่ยอมคิดเรื่องธรรมะมันคิดมันคิดแต่เฉพาะเวลาฟังเท่านั้นเองพอออกจากพอออกจากที่ฟังเทศน์แล้วมันก็ไปคิดเรื่องอื่นทันทีคิดเรื่องเพื่อนเรื่อง หรือเรื่องเที่ยวเรื่องทำภารกิจการงานต่างๆมันไม่ใคยคิดอยู่กับธรรมะเหมือนกับตอนที่นั่งฟังเทศคํธรรมมันยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่แท้จริงมันจะต้องติดใจงงอยู่ทุกลมหาใจเข้าออกเพราะจะมีสติคอยควบคุมให้มันพิงงาดใจอยู่ตลอดเวลานั่นหละมันถึงจะได้ผลฉะนั้น ธรรมะที่เราต้องเจริญมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสติแล้วก็พอมีสติแล้วทีนี้ก็จะพุโทโธมันก็จะอยู่ของพุโทโธแล้วพิจารณาร่างกายมันก็จะอยู่กับการพิจรารณาแล้วมันก็จะนําปเข้าสู่ความสมงบนำไปสู่การปล่อยวางอยู่ตรงนี้เนะียอยู่ที่าการเจริญสติแล้วอย่ามองท่ามการเจริญสติอะไปตัอย่างสุดๆ หลังมาหลายครังแล้วเราเตะขึ้นมาให้ตั้งสติให้ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายครับอ า, าจารย์เจ้าค่ะการมีสติเนี่ยเราจะต้องฝึกให้ช้าก่อนหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าพอทําเร็วมันก็เลยเปิดเปรยทุกทีเลยเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่ามันเหมืนมันจะได้ผลอย่างไรแต่โดยธรรมดามันน่าจะไม่ต้องช้าถึงกับเ็ะเหมือนกับต่าคลานคือก็ทําภารกิจของเราตามปกติ เดินไปไหนมาไหนก็เดินตามปกติจิตของเราไวกับร่างกายหลายร้อยเท่าเหมืกันสติของเราไวกับมันหลายร้อยเท่าเพียงแต่ให้มันรู้ให้มันอยู่กับร่างกายนั่นเองให้รู้ว่าเรากำลังอยู่กับร่างกายหรือป่าตอนนี้นีือเรากำลังคิดเรื่องนแล้วก็ถางนั้นเองแล้วคิดเรื่องอื่นก็เดินกลับมาที่ร่างกายต่อกันเดินกลับมาอยู่ที่ร่างกายเรื่อย ส่วนการประทํางานของร่างกายก็ทำเป็นปิติมันไม่ต้องช้าหรอกไม่เหมือนที่ต้องสอนกันให้ก้าวาอันนีอันนีไม่จำเป็นต้องทาช้าขนาดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กายสติมันอยู่ที่ใจรู้ค่ะเถ้าสติอยู่กับกายแค่ไหนใจจะเร็วขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถเลื่อนลอดความร่วมเร็วของสติไมได้ ปกติเรายืดเรียงต่อร้านนอยเข้าหลายคามเข้าแล้วเวลาเราทํางานคือว่าปกติพออย่างเช้าเนี่ยโอเคคือเราก็สามารถที่จะอยู่กับกายเรายังขอได้ใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวขับรถเราก็จะพยายามใช่ก็อยู่กับการขับรถเลยแต่คำนี้พอเวลาทํางานเนี่ยพี่เขาก็มุ่งมั่นแบบว่าเหมือนกับเรามีเป้าหมายว่าจะต้องทําให้เสร็จพอนั่นแหละคราวนี้มันก็ไปตามนะสกายวิธีการที่เแบบเหมือนกับว่า้ คือพยายามดึงกลับมามันบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะมองไป ม, ม, ม, มองมีความรู้สึกว่าทางโลกกับทางธรรมมันเหมือนกับว่ามันสวนกันนะเจ้าค่ะคือว่าทางทา ง, ทางทางธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้เราปล่อยวางว่าโอเคงานมันจะเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่ามันคือเราก็มองว่าทางโลกเนี่ยเราเหมือนว่ามันถูกกับความรับผิดชอบที่ว่าเรารับเงินเดือนเขาแล้วแล้วเขาก็มอบหมายเป้าหมายมาให้เราเราก็ต้องทําให้เสร็จ เหมือนกับมีแผนงานที่จะต้องทําให้เสร็จอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็เราก็มีความคุณผู้สูกเลยว่าเอ๊ะมันเราควรจะทําอย่างไรอก็ทำด้วยสติไงก็ทำด้วยถ้าทำด้วสตินั่นก็จะทำสาเร็จอย่างรวดเดีวจะไม่ผิดพลาดที่มันผิดพลาดเพราะมันไม่ได้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่มันมัวไปอยู่กับเวลาที่เขากําหนดว่าจะต้องให้เสร็จมันมวกังวลกับเวลาที่จะทําให้เสร็จก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ งานที่เราคนทำก็ทำแบบผิดๆถูกๆยิ่งยงยิ่งเล่งยิ่งรีดมันก็ยิ่งผิดยิ่งถูกอย่างยิ่งใส่ใจยิ่เสียเวลาอย่ามันไม่ได้อยู่กับการงานมันยิยในปัจจุบันมันไม่ขาดกันหรอกทางธรรมกับทางโลกมันต้องมีสติด้วยกันทั้งทางงานทางโลกและงานทางธรรมก็ต้องมีสติเหมือนกันมันถึงจะสําเร็จรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ได้ถ้าทําอะไรไม่มีสติมันก็จะผิดพลาดทำอะไรก็จะพลังเถลอเพราะ ทำแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยเดิมแล้วว่าทําทําทําครบด้วยอย่างทําถูกด้วอย่างแล้วก็ข้ามไปทำเรื่องต่อไม่บากไม่มีสติทํางธรรมกับทา ง, ทา ง, ทางโลกถ้าเกี่ยวกับเรื่องสตินี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขัดกันรับรองได้ไม่ขัดกันอย่างที่รู้เจ้าตรัสว่าสติมีความจําเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะการงานทางโลกหรือการงานทางธรรมนะก็ต้องมีสติถึงจะทําได้โดยไม่ผิดพลาด ถ้าไม่มีสติก็ทําไม่ได้เวล า, าเราเล่าเราไปเยบ็บเย็บผ้ามันเย็บได้ไหมนะมันไม่มีสติมันเย็บไม่ได้ครับต้องมีสติ <_ S 1> นี่เวลาเราทํางานแล้วเราไม่มีสติอยู่กับการทํางานเรามัวไปกังวลก็เดี๋ยวเขาจะมาเอานะยัง <_ S 1> ทําไม่เสร็จมัวนั่งคิดอยู่อย่างเนี้ยมันก็ทําแบบผิดๆถูกๆไปแล้วก็ยิ่งทำไม่เสียเวลาอย่พอยิ่งเสียเวลาก็ยิ่งเครียดใหญ่ก็ยิ่งวิตกกังวลใหญ่สติก็เลยไม่อยู่กับงานกับการ ตรงที่ว่าขาดกันขัดตรง ท, ที่ที่กิเลสขาดกันที่ว่างการไม่มีสติเนะี่ยนั้นไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเรากําลังทําอะไรอยู่ขอให้มันอยู่กับงานนั้นที่เรากําลังทําอยู่ให้มีสติอยู่กับงานนั้นอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเราต้องคิดเรื่องงานเรื่องการอย่างอื่นที่จําเป็นจะต้องวางแผนเรตรียมการอะไรแล้วก็วางงานอย่างอื่นไว้ก่อนแล้วก็เอางานที่คลิดนี้มาเป็นงานหลักของเราก็ให้มีสติอยู่กับการ กับการคิดการวางแผนให้เรียบร้อยพอคิดเสร็จวางแผนเสร็จย้วรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเวลาใดเมื่ อ, อไหร่ล้วก็หยุดแล้วเราก็เริ่มมาทํางานของเราต่อถ้าต้องทํางานตามที่เราวางแผนแล้วเราก็ทําตามแผนออกไปแต่ตอนนั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วหยุดคิดให้ให้คิดอยู่กับงานที่กําลังทำว่ากําลังทําถูกหรือไม่กําลังทําถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ ถ้าทำแบบนี้แลนวรับองได้ว่างานจะสําเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเลยดวดะอยู่ที่สติตัวเดียวเท่านั้นแหละกลออับเรียนถามอีกประเด็นหนึ่งนะสุภาพอย่างเรากลับบ้านมาในเหนื่อยเนี่ยวิธีการที่จะทําให้สามารถที่จะสงบจากโลกภายนอกที่เราเพิ่งไปสับสนวุ่นวายมาเนี่ยเราควรจะเดินจงกลมหรือว่านั่งสมาธิมากกว่ากันนะสุภาพแล้วแต่เราจะ แล้วแล้วแต่เราจะพอใจเพราะว่าการเดินด้วยการนั่งไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติตัวที่ปฏิบัติก็คือตัวจิตจิตปฏิบัติได้ทั้งเดินและนั่งแล้วตัวที่จะทําให้จิตปฏิบัติได้ก็คือสตินี่ถ้าเราทํางานมาทั้งวันด้วยสตินี้พอกลับมานี้เราจะพุโทโธได้ ท, ทันทีแล้วก็จะสงบได้ ท, ทันทีเพราะว่างานอย่างอื่นมันจะหายออกไปจากจิตแล้ ว, ลวเพราะมันเป็นนดีตไปหมดแล้วเราจะอยู่ในปฏิบันตลอดเวลา แต่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเรากลับมาบ้านแล้วเรายังเอางานมาที่บ้านด้วย <c oughs> นั่นแหละเพราะว่าเราอดีตก็มาในปัจจุบันมันก็เลยทำให้เราภาวนาพุโทโธไม่ได้เพราะเรายังคิดถึงงานที่เราทาอยู่เพราะเราไม่มีสตินอะถ้ามีสติเราอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นจิตองอยู่ตรงนั้นอยู่ที่บ้านแล้วมันจะมีงานได้ยังไงถ้าเราไม่เอามา ข้าใจของเราไม่ไปกวา้างท่องในใจของเราเราต้องอย่านี้มันถึงจะถ้ามีสติแล้วมันจะมีแต่อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดแล้วมันผ่านไปบางที่ลืมไะลนะบางทีทำอะไรถ้าไม่ได้คิดถึงมันบางทีลืมได้ไม่ว่อที่เราทำหรือยังแต่แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าที่เราเราทำตามขั้นตอนแล้วไม่ต้องกังวลทําไปแล้วก็แล้วแต่ไม่ต้องไปกังวลว่าทำหรือไม่ทําแต่เราจะอยู่ในปัจจุบัน ตลอดเวลาการขอพะคุณเจ้าค่ะตัวสตินี้จะเป็นจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตเพราะตัวปัจจุบันนี้แหละจะเป็นตัวเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาแล้วก็ผลก็จะเกิดในปัจจุบันเท่านั้นเองผลไม่เกิดในอดีตไม่เกิดในอนาคตเหตุก็ไม่ไม่เกิดในอดีตไม่เกิดในอนาคตเหตุจะต้องเกิดในปัจจุบันแล้วผลก็ย่องเกิดในปัจจุบัน เหมือนที่พระ อ, อ น, นุนถ้ามีปัญหาเกิดตอนแรกอดีตกาลเนี่คตนีอนดีตก็คือคำนั้นคาทํางานของพระพุทธเจ้าว่าอ น, นุนเธอจะบรรลุภายในสามเดือนนี่ก็อ น, นุนก็คิดถึงคำทำางานอย่างนีเนี่ยแล้วก็มากังวลถึงนาคตว่านี่ใกล้จะครบสามเดือนแล<ม>้วยังไม่บรดูุสั ก, กทีนี่ก็เกือบจใกล้ๆแล้วเรื่องใหญ่เรื่องความเพียรก็ยังไม่สําเร็จสักทีก็เลยก็เลยใจมังก็เลย กลับไปกับนายกับอดีตกับอาณาจักตอนต้นก็เชื่อว่าพระเจ้าความดํานินเจ้า น, นี่แม่นยอ่อมแต่พอใกล้ความจริงแล้วมันกลับไม่เป็นก็เลยเกิดความอังเล่สงสัยจิตเล้ก็ไม่ได้ทอหนาจิตไม่ได้ยึกในปฏิบัติเพื่อภาวนาเพื่อ ท, ทําจิตให้สงบเพื่อปลอยวางนอนคังวลกับเรื่องอดีตอาณานักรพอใกล้จะสว่างแล้วรู้ว่าปฏิบัติในตอนนี้ก็ไม่มีทางบางังคับได้นะ ก็เลยหยุดปฏิบัตินอนดีกว่าพอจะนอนตอนนั้นมันก็หลุดเองมันปล่อยอดีตปล่อยอนาคตมันจะมาอยู่ปัจจุบันมันก็ปล่อยหมดมันก็หลุดได้สติจะเป็นจัวดึงจิตให้อยู่ปัจจุบันเพราปัจจุบันนี้เป็นที่เกิดของทั้งเหตุและผล แต่ทาอะไรก็ต้องทํำในปัจจุบันนี้ใช่ไมักปุ่นนิพพานก็อยู่ในปัจจุบันนี้กางปฏิบัติเพื่อนักปุ่นนิพาก็อยู่ในปัจจุบันนี้อายุักษ์ิ์สิทธก็อยู่ในปัจจุบันนี้ทุกสมุทัยนิโรธนั่นก็อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันหมดแม้กระทั่งพวกเราเราก็อยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ที่อื่นตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ไหนอดีตของเราก็ไม่มีอนาคตของเราก็ไม่อยู่ เราอยู่ตรงนี้แต่เราส่งไปคิดถึงอดีตและเราก็ส่งคิดถึงขงศาวุธเราะเมื่อเช้าเราออกจากบ้านมาเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้าน <c oughs> แต่ความจริมันพอไปถึงที่บ้านมันก็เป็นปัจจุบันในตอนนั้นของมันที่นี้ก็จะเป็นอดีตไปนี่ไง เร็วมากนะปัจจุบันเราจิตขนาดนั้นพอต้องจริงอีกหนึ่งาทีมันก็เป็นอดีแล้วปัจจุบันมันมันมันความจริงมันมันไม่เร็วปัจจุบันมันริ่งแต่เหตุการณ์มันมันมันเคลื่อนไปเวลามันเคลื่อนไปแต่จิตเรามันไม่ร่งกับเหตุจิตเราตามไปกับเหตุการณ์มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเร็ว แต่คามจรินี้ติตเท่าพอเราวิ่งแล้วอะไรมันมันก็จะเป็นึ่งหนย่างมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปพอติตเราไม่วิ่งมันก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างปัจจุบันกับอดีตอนาคตมันปนกับซ้อนกันมันก็เลยไม่สงบมันก็เลยไม่เห็นภาตจริงมันก็เลยไม่เห็นอนิจจามันก็เลยไม่เห็นอนัตตาแต่ถ้ามันวิ่งแล้วมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวไปอยู่ตลอดเวลา เราไปบังคับไปควบคุมเขาไม่ได้เขามาเขาไปเมื่เรานั่งอยู่ที่ริมน้าแล้วน้ําไหลกระแสน้ําไหลมาเรือก็ไหลมาขยะส็ไหมาอะไรก็ไหลมาเราก็ได้แต่นั่งดูเท่านั้นเขาก็ไหนไปไหลไปถ้าเราดูเฉยๆแล้วเราไม่ไปเรียอะไรกับเขาเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปดูแล้วพอเราไปชอบอะไรเราก็เหแบบเสียดายเรือเไม่สวยก็กลรบมาแล้วก็ไปใจเราก็เลยคิดตามเรื่องต่ เริอความอะไรอ่อนเกับความโหยหวนอยากไปได้แต่จะเห็นเดือดร้อนอยู่นานก็เป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าใจอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยทุกอย่างมาแล้วไปมันก็จบไม่ต้องมานั่หาอะไรนี่ใ จ, จยู่ไม่นิ่องที่เราพูดกันนี่ก็เลยเป็นสัญญาเป็นสัญญาว่วาอันนั้นสิ่งนั้นไม่น่งสิ่งนี้เน่งสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นราไป็นของเร า, หา แต่ความจริงใจเรามันไปกระโดดเกาะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลามันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เฉยเฉยมันไม่ได้ปล่อยวางถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะปล่อยวางแล้วถ้าเกิดมันยังมีกิเลสที่จะดึงจิตให้ไปเกาะมันก็จะใช้ปัญญาตัดพอจะไปเกาะทีนั้นก็จะตัดพอเห็นอะไรชอบอยากเป็นได้ก็ตัดมันไปก็ไปอยากเสียดายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไป แต่ถ้ามีกิเลสก็ตา ม, ามไปเลยเห็นโฆษณาในโทรทัศน์เน่ามีรดราคาสินค้าที่ ไ, ไปละอย่มันไม่มนึ่งนมันไม่อยู่กับ จ, จีบองย่างไปตาม็ดีนะตามภาพที่เห็นในโทรทัศน์ไปสู่อนาคต ถ้าอยู่ี้ปัจจุบันก็ลื่นเลยนะลองทานไปแค่สองสามวินาทีก็ลื่นนะหรือว่าถ้ายังมีจีเหลืออยู่มันจะมาคอยกระตุ้นให้ไปขามันก็ใช้ปัญญาตัดความไม่ดีหรอกมันไม่มันไม่ใช่ของของดิบของจริงหรอกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกความสุขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วไปการเท้าไปหาเสี้ยงไปเลมอยู่เฉยสบายอยู่แล้ว ถ้ามีความสงบมันจะคิดอย่างนั้นได้แต่ถ้ามันมีความสนะงบแล้วเห็นอะไรดีก็โอหอยากไได้ขึ้นมาวิ่งตาม <c oughs>